เรื่องที่เสียนึกถึงเรื่องโรงหนังสมัยนี้หนังกำลังเฟื่องโรงลิเกโรงละครซบเซาไปหมดเพราะสู้โรงหนังไม่ไหวแต่ในจำพวกโรงหนังด้วยกันดีเป็นบางโรงบางโรงก็ไม่ดีขาดทุนขาดร้อนผลปี้เพราะคนเราไม่นิยมดูเขาว่าหนังไม่ดี เจ้าของโรงก็เพียรพยายามลงทุนแต่งหน้าโรงหนังอย่างโก้ทาสีเขียนลายตัวโรงเสียใหม่แล้วก็โฆษณาทั้งทางวิทยุทั้งทางหนังสือพิมพ์บอกว่าได้ปรับปรุงโรงใหม่แล้วบ้างอากาศเย็นดีบ้างจอดรถสะดวกดีบ้างแล้วแต่จะว่าแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วแก้ไม่ตกเวลานี้ทํำท่าจะเป็นไม้ไปหลายโรง หาคนดูไม่ได้ที่บางโรงเกือบจะไม่ต้องเสียโฆษณาเลยบอกแต่กำหนดฉายก็มีคนไปแย่งกันซื้อตัว๋วนี่แหละท่านเรื่องของโรงหนังเอาละ่ะท่านเองก็เคยรู้เคยเห็นมามากแล้วถ้าหากจะมีใครถามท่านว่าที่ว่าหนังดีหรือหนังไม่ดีนั้นมันอยู่ที่ไหน ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรมันจะดีก็อยู่ที่โรงหนังละสิหลายคนคงจะตอบว่าอย่างนี้แล้วคำตอบอย่างนี้ท่านคิดว่าถูกต้องเรียบร้อยดีแล้วหรือที่จริงถ้าจะให้ถูกก็พอได้แต่จะเอาเป็นว่าเรียบร้อยแล้วเห็นจะอย่างไม่ได้ที่ตอบว่าหนังไม่ดีอยู่ที่โรงหนังอย่างนี้ตรงกับที่ชาวบ้านเราชอบพูดกันว่า หนังโรงนั้นดีหนังโรงนี้ไม่เดีเรื่องคือเอาตัวโรงหนังเป็นเกณฑ์ที่ตอบนี้ถูกสำนวนชาวบ้านแต่ไม่ถูกตามความจริงคำตอบนั้นชวนให้เข้าใจว่าตัวโรงที่ก่อด้วยอิฐหรือสร้างด้วยไม้นั้นเป็นที่อยู่ของหนังหนังจะดีไม่ดีอยู่ที่โรงแต่ความจริงแล้วคนที่เขาแห่กันไปดูหนังนั้นเขาไม่ได้ไปดูตัวโรงหนังสักหน่อย เขาไม่ได้ดูตรงที่ว่าโรงหนังทำด้วยอะไรทาสีอะไรมุงด้วยอะไรมีประตูหน้าต่างกี่ช่องกี่บานเปล่าเลยพอไปถึงโรงหนังเขาก็ซื้อตัว๋วเสร็จแล้วเขาก็ไปยัดเยียดกันเต็มอยู่ในโรงหนังนั่งหันหน้าไปทางเดียวกันแล้วเพ่งสายตาไปสู่จุดเดียวกันคือที่แผ่นข า, ขาวๆสี่เหลี่ยม ซึ่งเขาขึงไว้สุดโรงทางด้านหนึ่งแผ่นนี้เขาเรียกว่าจอหรือจอหนังทำด้วยผ้าก็มีทำด้วยผนังปูนเฉยเฉก็มีทราบว่าทำด้วยแผ่นเงินก็มีเล็กมีใหญ่มีนี่แหละคนตั้งพันที่เสียค่าผ่านประตูเข้าไปยัดเยียดกันอยู่ในโรงหนังเขาไปดูที่จอนี้ทั้งนั้น เพราะเรื่องต่างๆที่เราอยากดูมันออกมาที่นั่นเขารบกันเขารักกันเขาค่ากันเขากงกันเขาแสดงวีรกรรมต่างๆออกมาที่จอทั้งนั้นส่วนที่ตัวโรงหนังจริงๆไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องเสียสตางค่าดูท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าคำตอบเดิมที่วาดหนังดีไม่ดีอยู่ที่โรงนั้นผิดไปหน่อยแล้ว ดูกันเข้าจริงกลายเป็นว่าดีไม่ดีอยู่ที่จอถ้าเช่นนั้นหนังดีไม่ดีอยู่ที่จอนั้นหรือถ้าเขาถามซักเข้าไปอีกจะเอาความจริงกันละ่ะท่านจะตอบเขาอย่างไรจะว่าหนังดีไม่ดีอยู่ที่จอก็ไม่ใช่ที่จอจริงๆก็ไม่มีอะไรพื้นที่สี่เหลี่ยมขาวๆเฉยๆเท่านั้นเอง ไม่มีรูปภาพอะไรทั้งสิ้นจออันเดียวใช้ฉายหนังได้ตั้งร้อยตั้งพันเรื่องฉายกันจนจอขาดนั่นแหละวันนี้ฉายหนังบูพรุ่งนี้ฉายหนังเพลงมะรืนนี้ฉายหนังชีวิตจอเก่านั่นเองไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเรื่องหนังทีต้องเปลี่ยนจอใหม่ไม่ใช่เพราะว่าที่จอจริงๆมันไม่มีอะไร ในจ อ, อนั้นไม่มีหนังแน่ส่วนรูปต่างๆที่เราเห็นบนจอนั้นมันออกมาจากที่อื่น น, น่นอยู่ในฟิล์ม น, น่นเขาคดเขากงกันอยู่ในฟิล์มเขาฆ่ากันฟันกันอยู่ในฟิล์มกอดจูบกันอยู่ในฟิล์มบทบาทต่างๆที่เราเห็นที่จอความจริงมันอยู่ในฟิล์มแล้วแต่มันแสดงออกมาให้เราดูที่จอเท่านั้น ตัวจอเขาถึงไว้ที่โรงหนังอยู่กับโรงเป็นของเจ้าของโรงแต่ฟิล์มเป็นวัตถุชนิดหนึ่งแผ่นใสๆบางๆยาวๆม้วนเก็บเข้าไว้ในกล่องโดยตัวไปแล้วคนดูไม่ค่อยเห็นฟิล์มแต่เห็นแล้วก็ดูยากหน่อยว่าในฟิล์มนั้นเป็นสัตว์หรือรูปคนแล้วเป็นคนดีหรือเลวดูยากแต่พอฉายใส่จอเท่านั้น เจ๋าเลยความซื่อความโกงมันออกหมดรวมความโดยเบ็ดเสร็จเ็จขาดว่าหนังดีไม่ดีอยู่ที่ฟิล์มเจ้าของโรงหนังจะร่ำจะรวยหรือล่มจมก็อยู่ที่ฟิล์มนั่นแหละนั่นเราดูหนังโรงนอกทีนี้เชิญย้อนเข้ามาดูหนังโรงในดูบ้างหนังโรงนอกนั่นคนอื่นเขาตั้งคนอื่นเขาจัดการ คนอื่นขัดทุนคนอื่นเขาได้กําไรแต่หนังโรงในเป็นของเราแท้ขัดทุนกําไรอยู่ที่เราเองทั้งสิน้นตัวคนเราแต่ละคนแต่ละคนนี่แหละคือโรงหนังเป็นโรงโรงคนหนึ่งก็โรงหนึ่งสําคัญยิ่งกว่าโรงหนังที่สร้างด้วยอิฐ ด, ด้วยปูนเสียด้วยซ้ํานั่นมันโรงหนังแห้งแต่ตัวคนเรานี้มันโรงหนังสดนี่แหละ โรงที่หุ้มด้วยหนังสดนี่สำคัญนักหนังแห้งถึงมันจะเสียมันก็ไม่เนา่าไม่ส่งกลิ่นเหม็นเนา่าร้ายกาดนักเมื่อย้อนดูตัวแล้วก็ลองนึกยงไปเปรียบกับโรงหนังที่พูดมาแล้วเปรียบเทียบกันได้สนิทเลยข้าพเจ้าได้กล่าวในบทก่อนแล้วว่าคนเราคนหนึ่งหนึ่งมีตัวอยู่สองชั้นตัวนอกได้แก่เนื้อตัว ตัวในได้แก่ความเป็นทีนี้เวลาดูถ้าจะดูความใหญ่ความเล็กความสูงความเตี้ยความอ้วนความผอมเขาดูกันที่ตัวนอกคือดูที่ร่างกายแต่ถ้าจะดูความดีความเลวความน่าเคารพความน่าดูถูกดูหมิ่นเขาดูกันที่ตัวในคือดูที่ความเป็นเป็นลูกดีไหม เป็นพ่อแม่ดีไหมเป็นผัวเมียดีไหมเป็นทหารดีไหมเป็นตำรวจดีไหมจนกระทั่งถึงว่าเป็นรัฐมนตรีดีไหมคือดูที่ความเป็นคล้ายกับโรงหนังทั้งโรงเวลาคนเขาดูเขาดูกันที่จออย่างนั้นเองร่างกายเนื้อตัวของเรานี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนตัวโรงหนังส่วนความเป็น ที่เราเป็นนั่นเป็นนี่เปรียบกับจอหนังแล้วความดีความร้ายของคนอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับเรื่องหนังอีกนั่นแหละหนังดีไม่ดีอยู่ที่ในฟิลม์มเมื่อเรื่องในฟิล์มดีเวลาฉายออกที่จอมันก็ดีถ้าเรื่องในฟิล์มเลวร้ายฉายออกมาที่จอมันก็เลวร้ายตามความดีความร้ายของคนอยู่ที่ใจใจนั่นแหละ คือที่อยู่ของความดีความร้ายดีร้ายซื่อคดมันอยู่ในใจก่อนแล้วเมื่อคนนั้นได้ครองความเป็นอะไรเข้ามันก็ฉายออกมาที่ความเป็นนั้นให้คนทั้งหลายเห็นสมกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมาสภาพอันดีเลวร้ายทั้งหลายเกิดขึ้นแก่ใจก่อนมโนเสร็จท่ามโนมยา สำเร็จอยู่ที่ในใจแล้วมนสซ า, าเจปัสสันนนะถ้าใจดีแล้วจะพูดจะทำอะไรก็ดีตามมนสซ า, า, าเจปุทธเทนะถ้าใจเลวร้ายเสียแล้วจะพูดจะทำอะไรก็เสียพระพุทธวจนะนี้ยืนยันข้อความที่ข้าพเจ้าว่ามาแล้วคือความดีร้ายของคน มันเกิดที่ใจก่อนแล้วก็อยู่ในใจครันไปได้จ่อเข้ามันก็เลยฉายออกมาท่านผู้อ่านเคยเห็นไม่ใช่หรือความรู้ที่คนเก็บสั่งสมใส่ใจไว้ตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ครันคนผู้นั้นได้ครองตำแหน่งคือความเป็นอะไรเข้าความรู้นั้นก็ฉายออกมาให้คนทั้งหลายนิยมชมชอบมากมาย ในทานองเดียวกันคนใจคดเก็บความคดโกงไว้ในใจเมื่ อ, อยังไม่ได้เป็นอะไรใครก็ไม่รู้ว่าคดแต่พอได้รับตำแหน่งให้เป็นนั่นเป็นนี่เข้าความคดโกงต่างๆก็ฉายออกมาคนทั้งหลายก็พากันตาหนิติเตียนอย่างที่เรารู้เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละซ้ำอีกทีเถอะเพื่อความเข้าใจฟิล์มหนังที่เก็บบทบาทต่างๆไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปพระรูปโจรจนกระทั่งจุดดำจุดด่างที่มันอยู่ในฟิล์มเวลาถูกฉายใส่จอมันก็ปรากฏออกมาตามรูปที่เก็บไว้นั้นส่วนที่คนดูจะเห็นชัดหรือไม่ชัดมันขึ้นอยู่กับแผ่นจอด้วยถ้าจอเล็กมันก็เห็นความดีเรวแต่เล็กๆถ้าจอใหญ่มันเห็นความดีเรวใหญ่ขึ้นเพราะจอใหญ่ ภาพก็โตถ้าจอเลวราคาถูกๆความดีเลวก็ไม่ชัดเจนนักถ้าจออย่างดีราคาแพงมากความดีความเลวก็เห็นชัดเจนฉันใดก็ฉันนั้นความดีความเลวที่ปนึกอยู่ในใจคนเราจะฉายออกมาให้คนทั้งหลายเห็นชัดเจนเพียงใดขึ้นอยู่กับความเป็นด้วยถ้าอยู่ในตาแหน่งต่ำหน้าที่แคบ เงินเดือนถูกเราก็จะเห็นความดีความเลวของเขาไม่สู้แจ่มชัดนักแต่พอได้ครองตำแหน่งสูงนาทีกว้างขวางมีอำนาจใหญ่โตราคาเงินเดือนแพงๆความดีความเลวก็ฉายออกมาให้คนเห็นแจ่มแจ้งใหญ่โตเหมือนฉายหนังใส่จอกว้างอย่างนั้นเองด้วยเหตุผลดังได้เปรียบเทียบแล้วนี้ท่านจะเห็นได้แล้วว่า ถ้าเราจะสร้างชีวิตของเราให้ผุดพองเป็นที่น่ารักน่าเคารพน่านิยมชมชอบเราควรจะสนใจปรับปรุงนั้นจุดใจแน่นอนจุดสำคัญที่เราลืมเสียไม่ได้คือใจคนบางคนคิดแต่จะหาสีใส่ตัวท่าเดียวไม่คำนึงถึงการปรับปรุงจิตใจด้วยพยายามซุกซ่อนเอาความชั่วร้ายเข้าไว้ในใจตัวโดยคิดทนงใจว่า ตัวฉลาดพอที่จะแท้งทํากิริยาวาจาให้คนอื่นหลงรักหลงนิยมชมชอบนึกจะตัดตอนเอาดีแค่นี้ท่านผู้อ่านลองนึกวาดภาพดูก็แล้วกันถ้าสมมติว่านายคนหนึ่งริจะหากินทางสร้างหนังแกไม่ได้สนใจกับการถ่ายภาพเข้าฟิล์มเลยถ่ายทรงเดชโดยคิดว่าจะพยายามประดับหน้าโรงให้หรูหรู ตบตาคนให้เข้ามาดูได้ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดตื้นใช่ไหมคนที่คิดว่าตัวฉลาดพอที่จะตบตาคนอื่นให้หลงนิยมชมชอบโดยไม่คำนึงถึงสภาพจิตใจของตัวเองก็เลยมีสภาพคล้ายกันตื้นนักคิดไว้เสมอว่าตัวเรานี้เป็นของโรงหนังโรงหนึ่งโรงหนังสดของเรานี้จะมีคนนิยมชมชอบ หรือเกลียดชังได้กําไรหรือขาดทุนสำเร็จอยู่ที่ใจ